การปฏิบัติธรรมะทุกคนให้ตั้งหน้าเพื่อปฏิบัติไม่มีอะไรที่จะมาทำเราให้ล้มให้เสียมากกว่าเร า, เร า, า, เราทำตัวของเราเองเรื่องคนอื่นภายนอกเป็นของพอที่จะหลีเกเลี่ยงได้ ในเรื่องของตัวเอ ง, ย อ, เยงอยู่เลียงยากก็อยู่กับตัวการประบัติธรรมโดยส่วนใหญ่ขชัวของตัวเองกี่จะล่อมตัวของตัวมาให้ดีให้วิเศษได้เนื่องจาก เ, เรื่องจิเละภายในมันเกี่ยวข้องร้อลวง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 ไม่มีบุญวาฒนเอย่ยงพอมีเป็นความคิดความเห็นความให้คะแนนตัวเองเป็นอย่างนั้นแล้วไม่เชื่อไม่ยินดีไม่เต็มใจในการจะประพิปฏิบัติต่อไปผลที่สุดจิตใจก็เร่รอนวิ่งวุ่นไปสู่อารมณ์ภายนอกเห็นผู้คน การงานด้านอื่นถึงเป็นของที่พระพุทธเจ้าละทิ้งถือว่าสิ่งนั้นเป็นของดีของวิเศษอยากได้เพิดเพลินเต็มใจในการจัดการมถึงจะยากลำบากวุ่นวายขนาดไหนใ จ, ใจชอบใจยินดี ก็ถือว่าง่ายถือว่าสบายนี่เป็นเรื่องล้มตัวเองไม่ให้ดีให้วิเศษหากเราที่นี่พี่เจนาหาทางชำระหาทางตัดเรื่องความคิดปรุงนั้นนั้นให้เข้ามาสู่วงของการปฏิบัติศึกษาด้านจิตใจของตัว ศึกษาด่านธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเอาใจใส่ตั้งใจปฏิบัติจริงจังผลที่เกิดขึ้นกว่จะเห็นจะดีจะเด่นในตัวเองเพราะเรื่องคนที่ทำงานต่างๆภายนอกเราไม่ใช่ทำเล่นกว่าจะเป็นการเป็นงานเป็นเงินเป็นทอง เ, เข่าวเป็นของมาลำบากยากยุ่งไม่ใช่เล่นๆจะไปทําเล่นๆโอดอยากยากจนเพราะทําจริงยิงแขวมีกินมีช้ายถ้าคนเกียดพลานไม่เอาทานคนนั้นจะต้องอดอยากดูตัวอย่างพวกชาวนาเขาทํานา ยืนไปดึกฝนตกหรือแดดร้อนขนาดไหนเขาไม่กลัวทางนั้นตั้งหน้าตั้งตาไถหาดปักดำจนดึกดื่นค่ำมืดถึงค่อยเลิกหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินอยู่อย่างนั้นถึงเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเขาก็ตั้งใจทำ เพราะเขาเห็นว่าทำแล้วจะได้ผลแก่ตัวของเขาถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่เสร็จไม่สิ้นคําอดอยากจะตามมาีพวกชาวนาที่เขาทำกันเราเคยเห็นแดดร้อนๆผ่านไปในที่ต่างๆไม่มี่มมีเงาอะไรอใส้หมวกบางคนก็ไม่มีหมวก เสือผาเปียกแห่งอยู่ในนั้นนี่ก็ทำทางโลกก็ทำกันขนาดนั้นไม่ใช่ทำลเล่นๆกว่าจะตึ้นข้าวมาให้แต่บาทที่พวกเราได้พโภ ด, ดฉันไม่ใช่ของงา่ายๆเป็นระายะยายเวลาหลายเดือนกว่าจะตกดอกออกผลให้ มีการทำธสมาทิภาวนาการอบรมใจถ้าเราถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเอาจริงเอาจังคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอาการลิโกคือไม่มีการมนุษย์ทุกคนที่ไม่มีความผิดไม่มีข้อห้าม ในด้านมรรคผลจะต้องประพฤติได้ปฏิบัติได้้ดยกันทุกควนหน้าหากเราคิดอย่างนั้นตัวของเราเองก็ไม่เคยทำเสียหายด้านที่จะห้ามมรรคผลทุกสิ่งทุกอย่างของเราไม่ว่ากายบาจายใจไม่เสียหายอะไร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 จิตปรุงต่อไปให้เป็นผลเป็นประโยชน์เมื่อผู้มีสติรักษาตัวอยู่อย่างนั้นไม่ว่าการขบการฉันการไปการมาจะเดินบินทบาทก็รักษาจิตของตัวจากวัดจิตตั้งไว้อย่างไรเข้าไปในหมู่บ้านไปถึงหมู่บ้านมันเถอะกี่ครั้ง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 ความรู้ความเห็นอันหนึ่งอันใดซึงเป็นทางแก้ไขกิเลสตัณหาให้ตกรุดหล่นออกไปไม่อย่างนั้นการบวชบวกแต่ว่าบวชบวชเพจบวชง่ายใครบวชก็ได้แต่บวชใจบวชยาก แะเพีกว่าหาง่ายตะใจหายยากหากเราอยากจะเป็นผู้ที่มีพระในใจคือมีความประเสริฐในใจก็จะต้องพยายามแก่ไถความเฉียด้านความมากง่ายความคิดปรุงภายนออกให้ตกออกไปจากตัว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 ว่าก่อนจะหลับในแบบที่นี้พิจารณาทำอะไ ร, จ, รจิตใจหยาบละเอียดขนาดไหนตื่นมาก็กาตรวจ ด, ดูให้รู้ให้เข้อใจอยา่าไปติดตามเรื่องใหม่ไปเจียวควงกับเรื่อ ง, องฟ้นยังฝนต่อไปนี่คือผู้ปฏิบัติด้านจิตใจที่จะเป็นไปเพื่อความสุขที่จะเป็นซักสมบูรณ์แบบดับถ้าหากเรา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 โดยไม่ต้องไปคิดไปอ่านอะไรพอพุ่ขึ้นเกิดขึ้นลรงขึ้นภายในใจแต่ิจะต้องทันทันกับเหตุการณ์ทุกอย่างยิ่งเป็นเรื่องของอธรรมเป็นเรื่องของโลกยิ่งง่ายยิ่งสบาย จิตจะต้องคิดอยู่ตงแต่วงของธรรมะเพื่อละและเพื่อบาเพ็ญเท่านั้นส่วนเรื่องนอกไม่ไปยุ่งเกี่ยวนี่คือเราฝึกตัวของเราฝึกได้ไม่เหลือวิสัยถ้าฝึกไม่ได้เป็นไปไม่ได้คำสอนของพระเจ้าก็เป็นโมฆะนี่มันเป็นไปได้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 ทางอื่นไม่ใช่ทางที่จะนำคุณงามความดีความสงบระงับมาให้เพราะทุกคนเคยคิดเคยปรุงเคยปล่อยเรื่องจิตใจไปตามอธัธยาศัยเป็นอย่างไรแต่แต่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้ที่ปล่อยไปอย่างนั้นได้สาระประโยชน์ได้ผลอะไรประทับใจของตัว กพอจะทราบจากตัวของตัวได้ว่าการปล่อยไปตามเรื่องยิเลสตัญหาตามอัธยาศัยโดยมีสติรักษาไม่มีปัญญาแนงสอนใน่ควบคุมจิตใจของเราไม่เคยสงบไม่เคยระงับไม่เคยเกิดปัญญาสามารถที่จะขับไล่กิเลสตัญหามีแต่ติดข้องปรุงแต่งเกิดเพลินมัวเมา ในเรื่องชั่วเรื่องโลกไม่มีอะไรที่จะเกิดสลรตสังเวชไม่มีอะไรที่จะเบื่อจะน่ายเรื่องเกิดตายต่อไปพอใจไม่เห็นโทษพอใจไม่มีธรรมากนั้นเพิงตั้งใจจะ ท, ำำทําบําเพ็ญ หากเพียรพยายามหักห้ามความจิตปรุงของตัวกี่ชั่วกีเสียต่างๆปัดทิ้งปล่อยทิ้งพอเรามาปฏิบัติถ้าสอนตัวอย่างนั้นพิจารณาตัวอย่างนั้นทุกท่านที่ปฏิบัติจะได้รับผลคือความสงบสงัดหรือความพ้นไปจาก ชาวโลกทั้งหลายเขาติดเขาข้องเป็นอ น, นิสงส์แก่ตัวข้องตัวไม่ใช่ทำให้คนอื่นทำให้ตัวเองการต่องเลือปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรแนะควรสอนตัวเองไม่ควรปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปไหลไปเสียไป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 ศาสนาก็ใจเจริญไม่ได้เสื่อมไม่ได้เสียทุกคนที่สนใจในด้านศาสนาหมุ่งมาพึงพาธรรมะของพระพุทธเจ้าพึงสอนตนฝึกฝนตนอบรมตนให้ตั้งมั่นทำการจริงจังจะเห็นจะเป็น จากการกระทำบําบเพ็ญไม่ใช่ได้มาจากกหรับกำลาัาจํามาจากรวมปากของคนอื่นตัวของเราเห็นตัวของเราเป็นเยือกเย็นสงบต่อยวางอย่างไรเข้าใจในตัวเองนี่การปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปปฏิบัติที่อื่นไม่ได้ไปรู้ที่อื่นเพราะกิเลสตัญหามีอยู่ภายใน ธรรมะก็แก้จีเลตปัญหาภายในทำจิตทำใจให้สงบระ ง, งับความสงสัยความเหลี้ยวไหลความเพลิดเพลินเรื่องของโลกมนุษย์ก็ไม่ผิดแปลกแต่ต่างอะไรกับสัตว์ <c oughs> ทำนองเดียวกันแต่ว่าเรามีสติมีปัญญาดีวิเศษกว่าเขานั่นเราสมมติ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 ืนหรือพวกแย่เป็นต้นอดอาหารได้เป็นหลายๆเดือนเขาอดได้นกก็บินได้ผิดกับมนุษย์ความจำเหรอเขากอยจำได้รวงลังของเขาการทำก็ไม่มีคนไปทำให้มันทำเองปัญญาขนาดธรรมดาสามัญแล้ว ที่ยังมีกิเลสตัณหามันเหมือนกันกับสัตว์ธรรมดาไม่มีอะไรดีกว่าเขาเด่นกว่าเขาสำหรับมนุษย์เราฉะนั้นสิ่งที่ดีที่เด่นก็คือมนุษย์รู้จักผิดถูกชั่วดีสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติจิตใจให้สงบระงับดับกิเลสได้หากมนุษย์ไม่ฝึกตัว ให้สงบรลงงับดับจิเลตปล่อยไปไหลตามสัญญาอารมเหมือนสัตว์มันก็เหมือนสัตว์ไม่มีอะไรดีดีวิเศษกว่าเขาแต่เราก็ถือว่าเราดีกว่าเขาเดด่านสติเดืดด่านปัญญาต่างๆสัญญาความจำรวงจำลังของมันก็จำได้สังขารความคิดปรุงต่างๆวิญญาณจำขาสึก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 ที่จะดีกว่าเขากว่าพออาศัยพวกเราประพฤติปฏิบัติให้ดีวิเศษให้จิตใจที่เคยเพี่นผ่านจิตอ่านในเรื่องสัญญาอารมณ์ภายนอกสงบระ ง, งับให้รู้ให้เห็นความเยือกเยน็นสงบของใจนี่เป็นทางดีวิเศษกว่าสัตถ้าหากปฏิบัติไม่ได้มันก็เหมือนกันกันกบเขา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 ยังเบื้องต้นหรือทัานกลางหรือที่สุดให้ดูตัวของตัวเองศาสนามันเสื่อมหรือมันเจริญให้รู้จิตใจของตัวอย่าไปถือเอาว่าท้าที่สุสามเณรมันมากศาสนาเจริญมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสทําบุญสุนทานมากศาสนาเจริญอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าจิตของเราบรรจงต่ํา จิตของเรายังเศร้าหมองจิตของเรายังพัวพันเฝ้าฝันไปในโลกอยู่เวลาเชื่อศาสนาเสื่อมศาสนาเสียถึงจะมีเพศแปลเสริฐเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเนกนก่อต่ำมันก็เสื่อมกาทังเพศที่มีอยู่นี่แหละพาเสื่อมถ้าจิตใจของเราจเจริญดุจสิ้นด้วย สมาธีโด้วยปัญญาโดยวิชาวิมุตต์ผู้คนประชาชนจะไม่มาเกี่ยวข้องมานับถือกราบไหว้บูชาก่อตางแต่เราก็รู้ก็เข้าใจว่าจิตใจของเรานั้นคิดกันกับย่างไม่ได้ประพฤติยังไม่ได้ปฏิบัติจิตใจของเรามีความสงบสงัดมีความเจริญขึ้นโดยลําดับ ยังไม่ฝ่นทุกในว่าจาทวงสามก็รู้แต่จิตใจจะไขคิดจิต <c oughs> คล้คองในเรื่องกัญญาอารมณ์ภายนอกรูปเสียงกิ่นรถต่างๆมันไม่เป็นไปมีแจคิดจะแก้ไขปรับปรุงจิตใจให้รู้ยิ่งเย็นจริงในอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าเนียสอนมุ่งมั่น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 ที่จะรักษาจิตตัดอารมณ์สัญญาสังขารที่ใส่จิตจิตข้องเหล น, นั้นให้หมดออกไปเราเข้าใจในตัวของเราเองนี่คือ <c oughs> ความเห็นความเป็นของใจผู้บอกเพื่อปฏิบัติเห็นศาสนาในตัวไม่ได้ไปเห็นอยู่ภายนอก มันเสื่อมมันจะเจริญอย่างไรเข้าใจในตัวเมื่อรักษาตัวของเราได้มีศาสนาประจําใจคนอื่นเขาจะไม่เลือ่อมใสเขาไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องของเขาเราเองไม่มีการเสียหายหรือเสื่อมไปตามลมปากของเขาเรารู้เราเข้าใจ ในความเป็นไปภายในนี่การปฏิบัติรู้เองเห็นเองอย่างนี้มีความสุขสนุกสบายเพราะจิตใจไม่ไปเกี่ยวข้องกังวลเรื่องนอกอเข้าใจรู้เห็นตามเป็นจริงในจริงต่างๆที่พระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าสันเห็น ถึงจะไม่รู้ไม่เข้าใจกว้างขวางทั่วโลกกว่าตางก็รู้เฉพาะในจิตในใจของตัวเพราะพิจารณาอาจทำด้วยสติด้วยปัญญา <c oughs> เข้าใจรู้เห็นเป็นจริงในตัวของตัวว่าสิ่นนั้นส่วนนั้นอันนั้น เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่องอนิจจงความแปรปรวนแปรผันของธาตุผันกับที่จนามาตั้งแต่ระยะเบื้องต้นจนกระทั่งปัจจุบันเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของธาตุผันอยู่ทุกระยะทุก ถังที่เคยเกี่ยวของกับขาดขนและจิตใจเป็นอย่างไรก็เข้าใจอีกเรื่องขาดขนที่มีโรคภัยไ ข, ไขเ้ดเจ็บเบียดเบียนเกิดทุกข์เรื่องจิตใจที่เกิดความวุ่นวุงโกรธเกลียดต่างๆมีบังคับ เป็นอย่างไรก็เข้าใจเห็นว่าทุกขังของกายไม่มีทางที่จะแกไขให้หมดสิ้นไปได้แต่ทุกขังของใจเมื่อพิจารณามีปัญญาเข้าใจจริงทุกนั้นจะต้องตกไปไม่มีทุกในจิตในใจเพราะความรู้เท่าเขาถึงเรื่องต่างๆ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 รักษาตัวให้สงบจากสัญญาอารมณ์ที่เป็นข่าสุดของใจใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนกอดทั้งๆ ท, ที่ตายังมีหูยังมีจหมูกลีนกายใจยังมีแต่จะไปจิตไปขวองไปปรุงไปคิด ในสิ่งที่เป็นพิดเป็นภัยนำให้จิตใจเศร้าหมองเดือดร้อนวุ่นวายนั้นอาศัยธรรมะอาศัยปัญญาพิจเจนาใจเลยได้รับความสงบสงัดพอตาเห็นก็มีปัญญาจิใตใจแนสอนด้วยจิตที่มีสมาธิความหนักแน่ ความลงรวมเป็นพื้นฐานเมื่อไปเห็นเข้า